ตอนนี้เสียงฝนตกค่อนข้างจะดังที่ว่าฟังคงจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็อขอใช้โอกาสนี้ขณะที่รอให้ฝนหยุดมาทำใจให้สงบกันนั่งสมาธิกันรอให้ฝนเบาลงก่อน แล้วค่อยพูดทำกันต่อไปอันนี้ฟังเสียงธรรมชาติเสียงฝนก็เป็นเสียงธรรมชาติเป็นอ น, นิจจังอนาตาัตตาทุกข์ไม่ทุกข์อยู่ที่คนฟังถ้าคนฟังอยากให้หยุดมันก็ทุกข์ถ้าไม่อยากให้หยุดมันก็ไม่ทุกข์เนี่ยทุกข์อยู่ที่ใจอันนี้จัง อนัตตาอยู่ที่ฝนอยู่ที่สิ่งต่างๆในโลกนี้ใจชอบไปทุกข์กับมันเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราสั่งได้ควบคุมได้ห้ามได้บังคับได้แต่พอห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ ก็จะทุกขังกันนี่แหละคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่ามันเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราไปสมมติกันขึ้นมาเองอมสมมติร่างกายว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเขาเป็นหญิงเป็นชาย ควจริงมันเป็นเดนน้ำลมไฟที่มันมารวมตัวกันเดี๋ยวมันก็แยกจากกันไปอพอดินน้ำลมไฟแยกออกจากร่างกายไปร่างกายนี้ก็หายไปเวลาเอาไปเผาในเตาก็เหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกนี่แหละคือธรรมชาติ อนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอร่างกายนี้ไม่ใช่พ่อแม่ของเราไม่ใช่ปู่ย่าตายายของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวของแฟนเราของสามีของภรรยาเราไม่ใช่ของลูกเรามันเป็นเดน้ําลมไฟมารวมตัวกัน แล้วเดี๋ยวมันก็แยกออกจากกันไปมันเป็นอนิจจังเข้าๆออกออกก่เกิดดับๆอนัตตามันเป็นธรรมชาติของมันที่จะเป็นอย่างนี้ต่ให้มันเป็นไปตามความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ แบ่งเป็นสองส่วนวอริจังกับอนัตตาคือสิ่งต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยส่วนทุกขังนี้อยู่ที่ใจทุกขังไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆสิ่งต่างๆเขาไม่ทุกข์เพราะเขาไม่มีการรับรู้อะไรทั้งนั้นเด่นน้ําลมไฟเขาไม่รับรู้ ว่าเขาตกหรือไม่ตกเขาไม่ทุกข์เขาไม่มีทุกข์ในดินน้ำลมไฟทุกข์อยู่ที่ใจของธาตรู้อของผู้รู้ที่ไปอยากให้ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อตอนนี้เนี่ย่านน้ำมันกาลังแสดงตัว ก็ไปอยากให้มันหยุดแสดงตัวถ้าไปอยากให้มันหยุดแสดงตัวความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจเพราะมันหยุดไม่ได้แต่ถ้ายินดีกับมันปล่อยให้มันตกไปปล่อยให้ธาตุน้าแสดงตัวไปใจก็รับรู้ไปเฉยๆ ใช้อุเบกขารับรู้กับสิ่งต่างๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นที่ใจนี่คือการปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าวิปัสสนานี่แหละคือวิปัสสนาไม่ใช่ว่าวิปัสสนาต้องเข้าไปในใจลึกๆ แล้วถึงจะเห็นหนูน่นเห็นนี่อันนั้นก็มีบ้างบางอย่างที่มีอยู่ในใจต้องมองเข้าไปลึกๆถึงจะเห็นแต่ตอนที่เราจะเข้าไปข้างในได้เราต้องตัดข้างนอกให้ได้ก่อนถ้าเรายังยึดยังติดอยู่กับข้างนอกเราก็เข้าข้างในไม่ได้ เราก็ทุกขกับเรื่องเราที่อยู่ข้างนอกไปะฉะนั้นเราต้องตัดข้างนอกก่อนตัดสิ่งที่เราเห็นสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายก่อนอว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา อ, อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นอย่าไปอยากให้มันเป็นนิจจัง เป็นอัตราเป็นของเราอยู่ภายใต้คาสั่งของเราเหมือนเปิดไฟปิดไ ฟ, ไฟไฟนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราแต่เราก็เอามาควบคุมบังคับได้ในระดับหนึ่ง ต, ตอนนี้เราอยากเปิดไฟก็ได้ปิดไฟก็ได้แต่บางเวลาเดี๋ยวเกิดไฟที่ต้นทางมันดับ จะเปิดมันยังไงมันก็ไม่เปิดอ่านี่คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราเข้ามาสัมผัสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายล้วนเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทั้งนั้นอ่าถ้าเรารู้ทันรู้ว่าเขาเป็นอนิจจังรู้ว่าเขาเป็นอนัตตา เราก็จะไม่ไปอยากให้เขาเป็นนิจจังเป็นอัตตาพอเราไม่ได้ไปอยากให้เขาเป็นนิจจังเป็นอัตตาทุกขังก็ไม่เกิดขึ้นที่ใจเราทุกเกิดที่ใจเราเพราะเราไปอยากให้เขาเป็นนิจจังเป็นอัตตาแค่นี้แหละง่ายๆความจริงของชีวิตของพวกเรา เกี่ยวข้องกับสามตัวนี้นะ่ะเกี่ยวข้องกับตัวอนิจจังตัวอนัตตาแล้วก็ตัวทุกขังถ้าเราฉลาดมองเห็นอะไรก็บอกอนิจจังนะไม่เที่ยงนะอนัตตานะไม่ใช่ของเรานะบางทีก็ห้ามมันไม่ได้นะบางทีก็สั่งมันไม่ได้ อย่าไปห้ามอย่าไปสั่งถ้าทำไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ถ้าอยากแล้วมันทุกข์นะอยากไปสั่งมันแล้วสั่งมันไม่ได้เช่นร่างกายอย่าไปอยากให้มันไม่แก่นะอย่าไปสั่งให้มันไม่แก่เพราะสั่งมันไม่ได้ทัทั้งที่รู้ว่าสั่งมันไม่ได้ก็ยังพยายามสู้กับมันอยู่นั่นนะ พยายามย้อมผมเห็นหมเนี่ยผมหลอกก็ย้อมมันให้มันดำนเนี่ยแสดงว่าไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นความแก่ของร่างกายนนหนังหย่อนก็พยายามไปดึงให้มันเต่งแล้วพอดึงไม่ได้มันก็ทุกข์ถ้าไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ ไหวมันแก่ไปมันมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเนี่ยของง่ายๆธรรมะมันมีแค่นี้แหละอย่าลืมอนิจจังอย่าลืมอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนี่ เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทั้งนั้นมีเกิดมีดับสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็มีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นไหมฝนเมื่อเกิดขึ้นมาได้เดี๋ยวมันก็หยุดได้เป็นธรรมดา ช, ช่วงที่มันตกอย่าไปอยากให้มันหยุดเพราะอยากแล้วมันก็จะทำให้ทุกข์ เพราะว่ามันหยุดไม่ได้หยุดมันไม่ได้ดัง mm hmm. นั้นอย่าไปพยายามอย่าไปยุ่งอย่าไปจัดการกับสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเรามีหน้าที่ที่ยังต้องยุ่งเกี่ยวด้วย mm hmm. เราก็ทำอยู่ในขอบเขต ในความสามารถของเราถ้าไหนยังจัดการได้ดูแลได้ก็จัดการไปดูแลไปแต่พอถึงเวลาที่จัดการไม่ได้ดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปแล้วใจจะไม่ทุกข์จะไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสีย คนที่เรารักไปสูญเสียร่างกายของเราไปเวลาที่เราตายเวลาที่ร่างกายตายเนี่ยก็เป็นการสูญเสียร่างกายอันนี้ไปผู้ที่ทุกข์ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ทุกข์คือใจที่รักที่หวงร่างกายที่อยากให้ร่างกายอยู่ไปนาน ไม่อยากให้ร่างกายจากเราไปแต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นอนิจจังรู้ว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายรู้ว่ามันเป็นอนัตตารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นเด่นน้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็แยกตัวออกจากกัน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 เป็นอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นเยื่อในสมองศีรษะแล้วก็เป็นน้ำเลือดน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเงือน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อ อาการ3 2นี่มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากดินน้ำลมไฟที่เราเอาเข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่องลมเราก็เอาเข้าอย่างต่อเนื่องหายใจเข้าหายใจออกน้ำเราก็ดื่มเข้าไปอย่างต่อเนื่องธาตุไฟเราก็ได้รับมาจากแสงแดดล้วก็ได้รับจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป มันก็ทำให้เกิดธาตุไฟขึ้นมาอาหารก็เป็นธาตุดินข้าวก็มาจากดินผักก็มาจากดินเอเข้าไปในร่างกายร่างกายก็เป็นเหมือนโรงงานเนี่ยผลิตชิ้นส่วนของร่างกายเรื่องต้นก็เอาไปเอาไปย่อยอาหารก่อนอาหารแล้วก็แยกส่วนของอาหารที่เอาไปใช้ เป็นส่วนประกอบของอาการ32ได้ส่วนที่เป็นกากเราก็ขับถ่ายออกมา uh huh. นี่แหละคืออาการ32ที่เกิดจากการก่อสร้างด้วยวัตถุดิบ4ประการวัตถุดิบของร่างกายของอาการ32 ก็คือเดินน้ำลมไฟนี่เองทั้งร่างกายนี้มันไม่มีตัวเราของเราไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราเลยเราไปตู่มันเองเราไปอยู่ดีๆก็บอกนี่เป็นของฉันเป็นตัวฉันเห็นไหมเวลาเราซื้ออะไรมาปั๊บเป็นของเราทันทีนี่เป็นของรถของฉันบ้านของฉัน แล้วเป็นของฉันแล้วเอาไปได้หรือเปล่า <IS> เวลาร่างกายตายไปเอาอะไรไปได้บ้าง <IS> ที่เป็นของของฉันทั้งหลายนี่เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียว <IS> ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราทรัพ <IS> ส, บสมบัติเข้าของเงินทองก็ไม่ใช่ของเรา <IS> สามีภรรยาก็ไม่ใช่ของเราบุตรธิดาก็ไม่ใช่ของเรา บิดามารดาก็ไม่ใช่ของเราปู่ย่าตายายก็ไม่ใช่ของเราพวกเราเป็นเหมือนตัวละคระมาเล่นละครกันในโรงละครแล้วเขาก็กำหนด บ, บทให้เราเล่นกันมีบทให้พวกเราเล่นกันวันนี้เป็นหญิงนะวันนี้เป็นชายวันนี้เป็นเด็กวันนี้เป็นผู้ใหญ่ วันนี้เล่นเป็นพ่อวันนี้เล่นเป็นแม่วันนี้เล่นเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบททั้งนั้นเป็นบทละครเป็นตัวละครร่างกายนี้เป็นตัวละครแล้วพอร่างกายนี้ตายเขาก็เอาออกจากลงไปแล้วเขาก็มีตัวใหม่เข้ามาแทนอยู่เรื่อยเด็กที่เกิดใหม่ก็เป็นตัวละครใหม่ เด็กที่มาเกิดมาคลอดคลอดในโลกนี้นะก็ค่อยจเจริญเติบโตขึ้นไปแล้วก็เริ่มแสดงบทบาทต่างๆไปตัวเก่าตัวละครเก่าก็ตายล้มหายตายจากไปนะตัวละครใหม่ก็มาแทนทีนะ่แต่ไม่ว่าจะมากันกี่ตัวเวลาไปก็ไม่มีใครเอาลงละครไปด้วยนะ ไม่มีใครเอาของที่ไดนะ้จากโรงละครนี้ติดตัวไปได้ไปได้มีสมบัติกี่หมื่นล้านแสนล้านก็เอาไปไม่ได้มีตึกสูงกี่ชั้นก็เอาไปไม่ได้ <Yeah. S 2> มีอะไรทั้งหลายทั้งหลายนี้เอาไปไม่ได้เพราะมันเป็นของโรงละคร <Yeah. S 2> โรงตัวละครนี้เป็นเหมือนลูกจ้างเขาจ้างมาเล่นละครเท่านั้นเอง แล้วเขาก็ให้เงินเดือนให้บ้านให้อะไรอยู่ไปแต่พองานจบละครจบลือบทของตัวละครจบเขาก็เอาคืนไปหมดนี่แหละคือชีวิตของพวกเราอย่าไปจริงจังกับมันมากเลยจะทุกข์ไปเปล่าๆ้องคิดว่าเราเป็นตัวละครผู้ที่กำกับการแสดงของตัวละครก็คือ กรรมนี่เอง่ะกรรมที่เราทำกันมานี่กรรมดีกรรมชั่วบุญบาปเนี่ยเป็นตัวที่มากำหนดให้เราแสดงบทต่างๆกันบางคนก็แสดงบทรวยทำบุญก็มาแสดงบทรวยทำบาปก็มาแสดงบทจนมาเป็นขอทานมาเป็นคนยากจน คนทำบุญก็มาเขาก็ให้มาแสดงเป็นคนรวยคนโง่เขาให้แสดงเป็นคนโง่คนฉลาดเขาก็ให้ไปเป็นคนฉลาดนี่คือกรรมเนี่ยกรรมเป็นผู้จำแนกแยกสัตว์ให้เป็นอะไรไปกันต่างๆเห็นไหมทไมทุกคนมาเกิดจึงไม่เหมือนกัน ก็มาจากมีดินาน้ำนมไฟเหมือนกันร่างกายเหมือนกันมีอาการสาวสิบสองเหมือนกันแต่ใจผู้มาใช้ร่างกายนี้ให้เป็นตัวละครนี้ไม่เหมือนกันมีความรู้มีความสามารถไม่เหมือนกันมีบุญมีบาปติดมาไม่เหมือนกันจึงทำให้มาเป็นตัวละคร ชนิดต่างๆกันไปแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครชนิดไหนก็ตามจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็กก็เป็นตัวละครที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงละครนี้จะต้องบทตัวเล่นจะต้องจบแต่โรงละครอาจจะไม่จบเพราะโรงละครเป็นโรงละครที่ใหญ่ แต่ตัวเล่นนี้อาจจะเล่นไปตามบทตามบาทบางตัวก็อยู่บนเ ว, เวทีได้นานหน่อยบางตัวก็อยู่ไม่นานบางคนเกิดมาไม่กี่ปีก็เขาก็เอาออกจากโรงละครไปตายไปตายเร็วก็มีตายช้าก็มีแต่ในที่สุดก็ต้องตายกันไปหมดเกิดมาเท่าไหร่ก็ต้องตายกันเท่านั้น ไม่มีไม่ใช่ว่าเกิดร้อยแล้วตายห้าสิบไม่ไม่มีเกิดร้อยก็ต้องตายร้อยเกิดพันก็ต้องตายพันอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติสิ่งใดมีการเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือปัญญาที่พวกเราต้องพยายามศึกษา ให้มันฝังอยู่ในใจเราไม่ให้เราหลงไม่ให้เราลืมเพราะว่าพอเราหลงปั๊บนี่เราจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราขึ้นมาทันทีไม่ได้คิดว่าเป็นตัวละครเอาจริงเอาจังกับบทที่เราเล่นกันคิดว่าเป็นของจริงของแท้ความจริงมันเป็นแค่บทละครร่างกายก็เป็นเหมือนตัวละคร แล้วเดี๋ยวก็ต้องจบลงทุกตัวละครไม่มีใครอยู่คํำฟ้าไม่มีใครเป็นอะไรคํำฟ้าเป็นได้ถึงเวลาของมันมันก็ต้องมีการสิ้นสุดลงนี่คืออนิจจานะไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย อย่างตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วเมื่อกี้ฝนตกนเสียงดังแต่ตอนนี้ฝนเบาเสียงค่อยแล้ว น, นี่ก็เป็นอนิจจังเหมือนกันอนัตตาก็คือเราจะไปสั่งมันเหมือนกับเราสั่งไฟฟ้าที่เราเปิดปิดไม่ได้ไฟฟ้าที่เราเปิดปิดนี้ เรามาสั่งมันได้ในระในในระยะหนึ่งเวลาหนึ่งเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งก็สั่งไม่ได้บางทีเวลาไฟดับนี่ไปเปิดสวิตไฟก็ไม่โผล่ขึ้นมาง<ม>นั้นอย่าไปหลงกับอำนาจของเราที่เราสั่งอะไรได้ในบางช่วงบางเวลา เราต้องสอนต้องเตือนใจเราว่ามันจะต้องมีช่วงมีเวลาที่เราจะสั่งไม่ได้สั่งสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เสมอไปพอเราสั่งไม่ได้เราก็ต้องหยุดสั่งอย่าไปอย่าไปอยากสั่งถ้าไม่อยากจะทุกข์ที่ทุกข์กันก็เพราะว่าไม่ยอมหยุด พอถึงจุดที่สั่งไม่ได้ทําไม่ได้ก็ยังดันพยายามดันมันอยู่นั่นนะ่ะพยายามเอาให้ได้เอาให้ได้แล้วก็เย็นไม่ได้นอนไม่หลับกันไปทุกข์กันไปบางคนทุกข์มากๆก็ถึงอยากจะฆ่าตัวตายเอ <Yeah. S 1> เกิดจากความอยากของตนเองเกิดจากความมืดบอดที่มองไม่เห็นอ น, นิจจังเห็นอ น, นัตตา ของสถานการณ์หรือของสิ่งที่เราไปอยาก mm hmm. ถ้าเรามีปัญญาคอยเตือนใจเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเนพะียง mm hmm. แต่ว่าบางเวลามันเป็นเหมือนนิจจังเป็นเหมือนอัตตานะ mm hmm. บางเวลามันก็ไม่เปลี่ยนแปลง mm hmm. อยู่มายังไงห้าปีสิบปีก็ยังเหมือนเดิมอยู่ mm hmm. แต่ไม่น่าวันดีคืนดีมันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนขึ้นมาเ น, นเนี่ยเปลี่ยนทั่วโลกเลยตอนนี้ เ, เพราเจอไอ้โรคระบาดตัวเดียวนี่มันเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งโลกเลย เ, เคยอยู่กันยังไงเดี๋ยวนี้อยู่กันอีกคนละอย่างนะ เ, เดี๋ยวนี้ต้องใส่หน้ากากกันพวกที่ใส่หน้ากากก็ลดปัญหาได้ พวกที่ไม่ยอมใส่หน้ากา ก, ากมันก็ยิ่งขยายปัญหากันใหญ่เนี่ยบางประเทศเขาไม่ยอมใส่หน้ากากเขาหาว่าอไปขัดอิสระภาพของเขาไปจำกัดอิสระภาพของเขาเขาก็เลยไม่ยอมใส่เขาไม่สบายใส่แล้วหายใจไม่สะดวกโลกมันก็เลยระบาดกันไปใหญ่เลย응นี่เพราะ ไม่เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาไม่เห็นวิธีที่จะปฏิบัติกับอนิจจังอนัตตาว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่เรามาศึกษากันในวันพระนี้วันพระนี้เป็นวันฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่ากาเลนะธรรมะสวนงัง ตัมมังคารมุตตัมังการฟังทมตามการเวลา เ, เป็นมงคลอย่างยิ่งคือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์สุขนั่นเองให้ประโยชน์กับผู้ฟังให้ความสุขกับผู้ฟังเป็นประโยชน์สุขทางจิตใจไม่ได้เป็นประโยชน์สุขทางลาบยศสรรเสริญ ทางตาหูจมูกลิ้นกายาบางคนอาจจะเข้าใจผิดแค่ว่าฟังธรรมแล้วเดี๋ยวรวย เ, เพราะมีประโยชน์สุขฟังธรรมแล้วเดี๋ยวได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง อ, อพอฟังไปแล้วไม่ไม่รวยไม่เลื่อนขั้นไม่เลื่อนตาแหน่งก็เลยไม่ฟังเลยเพราะว่อาอาบทศรัทธ า, เ, าเพราะเข้าใจผิด เพราะว่าผลของการฟังธรรมนี้เกิดที่ใจเป็นความสุขความเจริญทางใจมไม่ใช่เป็นความสุขความเจริญทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสปวดตภพถ้าอยากจ ะ, จะเจริญทางลาบยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงเกล็นรถโัพพะพะก็ต้องไปธรร ม, มาหากิน yeah. Yeah. ไปศึกษาวิธีธรร ม, มาหากินไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนมหาวิทยาลายัย <Yeah. S 2> พอจบได้ปริญญามาก็เอาความรู้ที่ได้เรียนมานี้ไปทำ ม, มาหากิน <Yeah. S 2> แล้วก็ร่มรวยกันขึ้นมาได้ yeah. Yeah. บางคนฉลาด มีความฉลาดอยู่ในตัวไม่ต้องไปเรียนก็ได้เจ้าของบริษัทใหญ่ๆนี่ถ้าไปศึกษาประวัติบางท่านนี่ท่านก็ไม่ได้เรียนหนังสือแต่ท่านเรียนด้วยประสบการณ์ก็เป็นการเรียนหนังสืออย่างหนึ่งเรียนว่าทำอะไรถึงจะได้เงินก็แค่านี้เองพอรู้วิธีทำอะไรแล้วรู้ว่าทำแล้วได้เงินเขาก็ทำไป พอก็าทำปั๊บเขาก็ได้เงินขึ้นมาไม่เห็นต้องเรียนมากเลยไม่เห็นต้องไปเรียนจบปริญญงปริญญาเพียงแต่รู้ว่าวิธีหาเงินทำเงินนี้หาอย่างไรพอรู้แล้วเขาก็หาไปทำไปเงินมันก็ไหลมาเทมาจากน้อยมันก็กลายเป็นมากขึ้นไปตามลำดับมัน บางอย่างก็ต้องไปเรียนเช่นถ้าเรื่องพวกเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ถ้าไม่ไปเรียนก็มาทําไม่ได้พวกที่จะทําซอฟต์แวร์ออกนี่ก็ต้องไปเรียนวิธีเขียนคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมก่อนอพอเขียนโปรแกรมได้ก็มาเขียนเขียนทําโปรแกรมชนิดต่างๆ Microsoft นี่เป็นผู้ที่ ผลิตโปรแกรมต่างๆเป็นบุ๊เป็นเจ้าแรกโปรแกรมพิมพ์หนังสือโปรแกรมทาบัญชีออพอทำพอทำออกมาปั๊บคนที่เขาต้องการก็ซื้อกันมีอยู่เจ้าเดียวนะก็โดยมาหาศาลไปเลยนะเนรพอไม่มีคู่แข่งนี่คือความเจริญทางลาบยอสเซริญ สุขทางโลกก็ต้องไปเรียนวิชาทางโลกนะถ้าต้องการความสุขความเจริญทางจิตใจก็ต้องมาเรียนทางธรรมกันความสุขความเจริญทางจิตใจก็มีอยู่หลายระดับด้วยกันจิตใจนี้ก็เหมือนกับคนรวยที่มีหลายระดับเนี่ย คนด้วยระดับล้านก็มีร้อยล้านก็มีพันล้านก็มีหมื่นล้านก็มีแสนล้านก็มีเดี๋ยวนี้ล้านล้านก็มีใจก็มีความสุขมีความเจริญหลายระดับด้วยกันระดับมนุษย์ก็ถือว่าเป็นความสุขความเจริญระดับหนึง่งระดับเทวดาก็เป็นความสุขความเจริญอีกระดับหนึง่งระดับ พรหมก็เป็นความสุขความเจริญอีกระดับหนึ่งระดับพระอริยเจ้าก็เป็นความสุขความเจริญอีกระดับหนึ่งพระอริยเจ้าก็มีอยู่สี่ระดับนะพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอราหารันเหล่านี้เป็นความสุขความเจริญทางจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า กาเลนะธรรมะสวัณังเอตัมมังกาลมุตตะมังการทำการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะนําประโยชน์สุขมาให้แก่จิตใจถ้าฟังธรรมนี้จะรู้วิธีรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ว่าทําอย่างไรไม่ให้เราตกต่ําลงไปกว่าการเป็นมนุษย์น เพราะต่ำกว่ามนุษย์ก็มีอยู่อีก4ระดับด้วยกันตามที่สภาพจิตใจที่ต่ำกว่ามนุษย์นี้มีอยู่4ระดับเรียกว่าอบาย4คือได้แก่นเดรัจฉาน2เปรตสาสุรรกายและ4นรกเนี่ยนี่คือการเสื่อมของจิตใจ ที่มักจะเกิดกับผู้ที่ไม่ได้มาฟังธรรมกันพอผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจเสื่อมอ ะ, อะไรเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจเจริญก็จะทำผิดผิดถูกถูกไปตามตามความรู้สึกนึกคิดตามความอยากของตนใจของสัตว์โลกนี้มีความอยากเป็นตัวผลักดัน ให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับตนเองให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผรธภะชนิดต่างๆมาให้ความสุขกับตนทีนี้ก็ไม่รู้ว่าวิธีหารูปเสียงกลิ่นรสแบบไหนที่เป็นที่ไม่เป็นภยัย ไ, ไม่เป็นโทษไม่มีโทษแบบไหนหาแล้วมีโทษถ้าไม่มาฟังเทศฟังธรรมจะไม่รู้ ถ้ามาฟังรมจะรู้ทันทีว่าวิธีหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิพภัต้องต้องหาแบบไม่เป็นโทษถ้าหาเป็นแบบเป็นโทษแล้วจะทำให้จิตใจเสื่อมลงไปอะไรที่วิธีไหนที่เรียกว่าเป็นโทษก็คือหาด้วยการฆ่ากันหาด้วยการ เอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตเรียกว่ารักขโมยหาด้วยการไปแย่งสามีภรรยาหรือแฟนของผู้อื่นเขาหาด้วยการโกหกหลอกลวงนี่เป็นวิธีที่จะทำให้จิตใจเสื่อมทำให้จิตใจตกต่ำถ้าไม่มาศึกษาไม่มาฟังเทศฟังธรรม ก็จะไม่รู้ว่าจิตใจนี้มีขึ้นมีลงเพราะว่าจิตใจนี้ถึงแม้จะขึ้นลงแต่ถ้าไม่คอยสังเกตดูก็จะไม่รู้มองไม่เห็นเพราะจิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแล้วอาจจะทำให้เข้าใจผิดก็ได้เพราะว่าการหาอะไรมาด้วยความไม่ชอบนี้ กับทำให้เจริญทางลาบยศสรรเสริญขึ้นมาความสุขขึ้นมาก็เลยจะเกิดความหลงผิดคือมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าต้องโกงต้องทำบาปถึงจะก้าวหน้าทำดีไม่ได้ดีเห็นหทำาชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้ก็จะเป็น ความเห็นของผู้ที่ไม่ได้เข้าหาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่ออกมาจากสมาัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอมิจฉาทิฏฐินี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องอเพราะไปเห็นผิดเรื่องนั่นเองไม่เห็นเรื่องใจไปเห็นเรื่องทางร่างกาย ก็เลยคิดว่าต้องทําบาปกันถึงจะก้าวหน้าถึงจะร่ำรวยต้องโกงต้องโกหกหลอกลวงถึงจะก้าวหน้าทำมาค้าขายนี่พูดความจริงขายไม่ออกต้องโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยลองไปดูบริษัทโฆษณามันโฆษณาตามความเป็นจริงของสินค้าหรือเปล่าไอ้ของที่ไม่ดีไม่เามาพูดถึงเลยพยายามเน้นแต่ส่วนที่ดี ส่วนที่ไม่ดีนี้ถ้าจะถ้าจะบอกก็เขียนเป็นตัวอักษรตัวเล็กๆมองแทบมองไม่เห็นการต้องใช้ต้องต้องขยายเพราะว่าสินค้าชนิดนี้ใช้ห้ามใช้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้แต่เป็นตัวนี้เดียวแทบจะมองไม่เห็นเพราะไม่ต้องการให้คนก็เห็น พราะเขาเห็นแล้วเดี๋ยวเขาไม่ซื้อสินค้าของตน่าโอสินค้าของตนนี้มีพิษมีภัยนะถ้าใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกอันนี้เป็นวิธีการหากินของคนในโลกเพราะว่าถ้าไปเขียนความจริงว่ายานสินค้าชนิดนี้ใช้ไปมากบ่อยๆเข้าเดี๋ยวเกิดมาเร็งขึ้นมาได้นะ รถชนิดนี้ขับไปนี่อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาได้นะบางทีต้องให้คนใช้เข้ามาวอยวายทีหลังถึงจะถึงจะมาแก้ปัญหาที่ตนเองสร้างไว้หรือบางทีก็ไปหลอกลวงว่ารถนี้เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันบ้างไม่มีควันพิษบ้าง มีด้วยการมีเครื่องตรวจสอบแต่เครื่องตรวจสอบก็เป็นเครื่องเก่เวลาวันหลังมีคนเข้ามาเจอเข้าเนี่ยก็ถูกฟ้องร้องกันเนี่ยถูกปรับเป็นเงินเป็นหลายพันล้านอันนี้ก็เนี่ยความเข้าใจผิดของคนที่มีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าการจะเจริญทางโลกเนี่ยจเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญ เจรานด้วยความสุขทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายนี้จะต้องอทำบาปกันถ้าไม่ทำบาปแล้วมันจะไม่รวยกันพวกที่เขาทำสินค้าอาหารเนื้นอกงเนื้อไก่เนื้อสัตว์ทั้งหลายนี้ ทำเป็นฟาร์มเขาไม่เรียกว่าฟาร์มนะเขาเรียกว่าโรงงานโรงงานผลิตเนื้อไก่โรงงานผลิตเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายเนื้ออะไรต่างๆเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นฟาร์มเขาเรียกว่าเป็นโรงงานทำเหมือนกับโรงงานเลยเขาไม่เลคิดถึงไอสัตว์เหล่านี้ที่ต้องตายเพื่อที่จะมาทาให้เขารวยว่าเขาต้องค่า มากน้อยเพียงไรเพราะเขาไม่รู้ผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเขาอย่าว่าแตาไม่รู้ผลเลยไม่รู้ว่าจิตใจของเขามีหรือไม่มีเสียด้ซ้าไปต อ, อ, อ, อนที่มีมิจฉาทิฏฐิส่วนใหญ่นี้จะคิดว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นตัวเดียวกันจิตใจกับร่างกายมาด้วยกันไปด้วยกัน พอร่างกายตายไปจิตใจก็ตายไปกับร่างกายแล้วก็จบเขาเรียกว่าตายแล้วศูนย์ น, นี่คือมิจฉาทิฏฐิถ้ามีมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ก็ไม่รู้จะไปกลัวทำบาปเลถ้ามันไม่ผิดกฎหมายถ้ามันผิดกฎหมายก็ยังอาจจะต้องไปรับโทษอยู่ แต่ขนาดบางทีผิดกฎหมายก็ยังพยายามหลีกเลี่ยงกันพยายามหลบซ่อนกันเพราะความอยากล่ำอยากรวยนั่นเองความอยากเจริญทางลาบยศฉลเสริญสุขจึงพยายามบกเม็ดกันบกปิดความชั่วของตนเพื่อจะได้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพราะถ้าไม่ทําชั่วไม่ทําบาปมันจะไม่ก้าวหน้า อันนี้เพราะคิดว่ า, าถ้าไม่ถูกจับก็ลอดตัวไปเดี๋ยว่าถ้าถูกจับก็มีซิกแซกได้สมัยนี้ถ้ามีเงินมีอะไรเนี่ยเห็นไหมคนรวยเนี่ยลูกขับรถไปชนตำรวจตายนี่กี่ปียังจับไม่ได้เลยไม่รู้อยู่ที่ไหนตามตัวไม่เจ อ, อ เขาก็ลอยลากมันไปจนกว่าถ้าดีมันจะหมดหมดหมดอายุความพอหมดอายุความก็โผล่หน้ามาโชว์ได้แล้วอันนีเนเน้เป็นเรื่องของทางโลกเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าจิตใจของผู้ที่ทำบาปหน่านีน้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วร่างกายเป็นมนุษ ย, นย์แต่จิตใจอาจจะเป็นเดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่ามีผลบาปตามมาอย่างพวกที่ฆ่าสัตว์เป็นอาชีพนี่ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ผิดกฎหมายเขาคิดว่าเมื่อไม่ผิดกฎหมายเขาก็ไม่ถือว่าเขามีความผิดอะไรแต่ทำกฎแห่งกรรมนี่มันมีความผิดทำบาปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นนี่ทำมีผลตามมา คือใจจะเป็นเดลฉานแล้วพอร่างกายที่เป็นมนุษย์นี้ตายไปก็จะไปได้ร่างกายของเดรลฉานต่อไปจะไม่ได้มาร่างกายของมนุษย์จนกว่าไปใช้บาปให้หมดก่อนใช้บาปฆ่าไก่ร้อยตัวก็ต้องไปเกิดเป็นไก่ร้อยครั้งพอพอหมดแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ นี่คือกฎแห่งกรรมกฎที่มีผลต่อจิตใจเป็นหลักผลที่เกิดกับร่างกายนี้เป็นผลรองหรือเป็นผลไม่แน่นอนคนทำบาปนี่ร่างกายอาจจะปลอดภัยไม่ต้องถูกจับไปลงโทษไม่เข้าคุกเข้าตารางเช่นทำบาป ด, ด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพนี่ทางกฎหมายเขาไม่เอาเอาเรื่องเอาราว แทางกฎแห่งกรรมนี้เขาเอาแน่นอนนะต้องไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นนะ้าสัตว์ชนิดไหนตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นให้เขาฆ่าสลับกันไปจนกว่ากรรมหรือบาปที่ทาไว้นั้นมันหมดลงมันถึงจะทาให้ได้กลับมามีร่างกายของมนุษย์ใหม่เลยนี่คือ ผู้ที่ทำบาปจิตใจตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเดลฉานทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปเนี่ยผู้ที่ทำบาปรู้ว่าบาปแต่โลภอยากได้มากๆก็จะไปเป็นดวงวิญญาณจะไม่มีร่างกายจะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยตลอดเวลา ถ้าเป็นเรื่องที่ตอนนี้เป็นดวงวิญญาณนี้ท่านบอกว่าเป็นเหมือนอยู่ในโลกของความฝันจะฝันแต่เหตุการณ์ที่มีแต่เรื่องหิวโหวยฝันว่าไปอดอยากขาดแคลนที่นั่นที่นี่ไปอยู่ไปหนีอบพยพไปอยู่ค่ายไปอยู่ที่มีอาหารขาดแคลนหิวโหวยตลอดเวลานี่คือดวงวิญญาณที่ทำบาปด้วยความโลภ ส่วนดวงวิ ญ, ญญาณที่ทําบาปด้วยความกลัว<ม><อ>ก็จะเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่เรื่องหวาดกลัวมาคอยอามาคอยให้ใจได้สัมผัสอยู่ฝันแต่เรื่องหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวต่างๆนานาแล้วถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทออโกรธเกลียดเคสแค้อ ฟันต่อฟันตาต่อตาล้างแค้นกันพวกนี้ก็จะเป็นนรกดวงวิญญาณก็จะเป็นนรกมีแต่เรื่องต่อสู้กันฆ่าฟันกันดวงวิญญาณแต่ละดวงนี้มันก็เป็นเหมือนภาพภาพยนตร์ชนิดต่างๆมีภาพยนตร์แบบบู๊แบบหวานแบบ เพียดแบบหวาดเสียวหวาดกลัวดวงวิญญาณจะไปดูภาพยนตร์ต่างๆเหล่านี้ในเวลาที่ไม่มีร่างกายเหมือนเวลาที่เราฝันเวลาที่เรานอนหลับเราก็จะฝันฝันเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆตามอำนาจของบุญของบาปที่เราทากันไว้นั่นเอง ถ้าเรามาศึกษาธรรมนี้เราจะได้รู้แล้วว่าถ้าเราไม่อยากจะให้จิตใจเราตกต่ําไม่อยากให้ดวงวิญญาณของเรานี้เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่เรื่องทุกข์ต่างๆทุกข์เพราะความหิวโหยทุกข์เพราะความหวาดกลัวทุกข์เพราะความอาฆาตพยาบาทร่างแค้นกันจองเวรจองกรรมกัน เ, เราก็อย่าไปทําบาปเหล่านี้ แล้วทุกเหล่านี้ก็จะไม่เกิดกับจิตใจของเรานี่คือขั้นที่ต่ำกว่าของการเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ทำบาปเวลาเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปรับผลบาปดวงวิญญาณของเราก็ไปรอรับร่างกายอันใหม่ได้เลยนี่คือการเป็นมนุษย์เป็นการรักษาความเป็นมนุษย์ ไม่ให้จิตใจของเราต่ากว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยอันนี้ถ้าไม่มาฟังธรรมนี้จะไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ถ้าได้ยินแบบผ่านๆหูก็จะไม่เชื่อคิดว่าเป็นเรื่องโกหกเพราะว่ามองไม่เห็นจิตใจนั่นเองมองไม่เห็นว่าจิตใจนี้กับร่างกายนี้เป็นคนละตัวกันเป็นเหมือนฝาแฝดจิตใจเป็นแฝดพี่เป็นนาย ร่างกายเป็นแฝดน้องแต่จิตใจไม่มีรูปไม่มีร่างจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่ผู้ที่รับผลของการกระทำไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รับผลก็คือทางจิตใจเป็นหลักร่างกายก็อาจจะรับผลบ้าง แต่รับผลแค่ช่วขณะที่มีชีวิตอยู่และบางทีก็อาจจะไม่ได้รับผลถ้าหนีได้ถ้าฉลาดมีที่หลบมีที่หลีกพอทาอะไรผิดปับ๊บเขาจะตามมาจับก็หนีไปหลบหนีไปอยู่ที่อื่นที่เขาไปไปจับไม่ได้ก็มีผลดางร่างกายมันเป็นอย่างนั้น แตผ่ผลทางจิตใจมันไม่เป็นอย่างนั้นผลทางจิตใจหนีไม่ได้เดี๋ยวตายไปก็ต้องไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไปทำบาปด้วยความหลงก็ไปต้องไปเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภนี่ก็จะไปเป็นเปรตเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่เรื่องหิวโหยมาให้สัมผสัสรับดูอันนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาทําไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะมองไม่เห็นแม้แต่พวกเราที่เข้าหาธรรมมากันอยู่นี่ก็ยังไม่เห็นตัวใจถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมท่านสมาธิอันนี้เบื้องตน้นเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อนเชื่อพระอาหารหันตสาวกไปก่อนพอ มีคนเชื่อมามากมายแล้วก็ไม่มีใครมาปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงทำให้เราเชื่อได้ถึงแม้ว่าเรายัางไม่ได้พิสูจน์เห็นด้วยกับตาของเราแต่เราก็เชื่อเพราะเราใด้เบื้องต้นต้องเชื่อก่อนถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่มาเอาไปพิสูจน์นั่นเอง ตอนนี้เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเรามีสองส่วนมันมีสองร่างกายเรามีร่างกายหยาบที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อนี้แล้วเราก็มีร่างกายละเอียดที่เรียกว่ากายทิพย์เนี่ยหรือจิตใจหรือดวงวิญญาณนี่เรียกว่ากายทิพย์เนี่ยอันนี้เราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเรามาปฏิบัติ ร, รมนะเราต้องมานั่งสมาธิจเจริญสติพุธโธพุทโธ แล้วเราจะดึงใจแยกออกจากร่างกายได้เวลาเราดึงเวลาเราจเจริญพุโทโธพุโทโธเราจะหยุดตัวที่ส่งกระแสะใจมาเกาะที่ร่างกายนั่นเองเวลาเราคิดนี่ใจจะส่งกระแสมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายคิดอะไรก็คิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสใช่ไหมว่าเดี๋ยวอยากดูนั่นเดี๋ยวอยากฟังนี่เดี๋ยวอยากกินนั่นกินนี่พอคิด มันก็บังเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายทำให้เห็นรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆแล้วก็เสพไปได้มีความสุขจากงนที่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นลดแล้วก็ติดไม่ยอมกลับเข้าไปข้างในเกาะติดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายตลอด24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเวลาหลับก็เกาะติดตาเกาะติดแบบไม่มีสติไม่รู้สึกตัว พอตื่นขึ้นมาปั๊บก็รู้สึกตัวที่ร่างกายทันทีผู้ที่จะแยกใจให้ออกจากร่างกายได้นี้ต้องใช้การเจริญสติที่มี40ชนิดด้วยกันเรียกว่ากรรมฐาน40แต่ในเบื้องต้นนี้ท่านจะสอนวิธีง่ายๆคือให้เจริญอนุสติอนุสติมีอยู่10ชนิดด้วยกันที่เราสามารถที่จะใช้ การเป็นการเจริญสติเพื่อดึงใจให้ถอยออกจากร่างกา ย, ใ ห, หยกให้หยุดส่งกระแสมาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายอาวิชชาปัจจญาสังขาราเห็นหตัวความตัวความหลงนี่มันจะบอกให้ใจผลิตความคิดสังขารคือความคิดให้คิดไปหารูปเสียงกลิ่นรส พอคิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสวิญญาณมันก็วิ่งไปที่ตาหูจมูกลินกายอ่วิชาปัญญาสังขารเนี่ยรับตัวความโง่ตัววิชาทิฐินี่แหละตัวที่คิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็จะคิดถึงหารูปเสียงกลิ่นรสพอคิดปั๊บวิญญาณมันก็ไปเกาะที่ตาหูจมูกลินกาย อวิชชาปัจจ ย, ยาสังขาราสังขาราสังขาราปัจจะยาวิญญาณังเลยนะวิญญาณังก็ไปเกาะที่วิญญาณังก็ปัจจะยาอายตนะอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ก็เกิดสัมผัสมีสัมผัสกับอายตนะภายนอกอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็ไปสัมผัสกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเนี่พอสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความรู้สึกเวลาเห็นภาพนี้จะต้องมีความรู้สึกสามอย่างด้วยกันสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างแล้วแต่ว่าภาพที่ไปเห็นนั้นเป็นภาพอย่างไรถ้าเป็นภาพที่ถูกใจก็สุขเขเวทนาก็เกิดขึ้น ถ้าไปเจอภาพที่ไม่ถูกใจก็ทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นถ้าไปเจอภาพที่ไม่สุขถ้าไม่ที่ไม่ถูกใจหรือจะไม่ถูกใจก็ไม่ใช่จะถูกใจก็ไม่เชิงก็จะเฉยๆไปก็จะมีเวทนาเป็นกลางไม่รู้สึกอะไรพอเกิดเวทนาขึ้นมาก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาถ้าเป็นสุขขเวทนาก็อยากให้มันอยู่นานๆ ถ้าเป็นทุกขเวทนาก็อยากให้มันหายเร็วๆถ้าเป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็อยากให้มันเปลี่ยนเพราะมันจืดชืดอยากจะไปหาสุ ข, ขเวทนาแทนพอเกิดตัณหาขึ้นมาก็จะเกิดอุปทานความยึดมั่นในสิ่งที่เราไปอยากได้ได้มาแล้วก็ยึดติดหวงอยากให้มันอยู่กับเราเป็นนิจังสุขขังอัตาเห็นไหะ พอเกิดปัญหาอุปทานขึ้นมาก็เกิดภาวะขึ้นมาภาวะก็คือการรักษาสิ่งที่เรามีอยู่ให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆถ้ามันหมดไปก็ต้องไปหาตัวใหม่มาแทนเอสังเกตไหมของที่เราใช้นี่พอมันเสียนี่เราจะหยุดใช้มันหรือเปล่าเลิกใช้มันไหมไม่เลิกใช่ไหอทีวีเสียนี่ว่ า, อาพอละขี้เกียจ ด, ดูเสียแล้วก็ไม่ต้องดูเอ รีไปสั่งเครื่องใหม่มาแทนบางคนนี้เอาสำรองไว้ก่อนเลยเผื่อไว้เกิดมันเสียกลางคันขึ้นมากํำลังดูหนังสนุกสนุกเกิดมันเสียขึ้นมาจะได้มีสำรองมีทีวีอันใหม่ร่างกายเราก็เป็นเหมือนอเครื่องมือที่เราใช้ดูรูปเสียงสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยพอร่างกายอันนี้ตายไปปับ๊บเนี่ยมันก็เกิด ภาวะอันใหม่ไปเกิดใหม่นะมันต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยมันต้องเรียกว่ามีภาวะคือร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปเกิดมีเกิดแก่ตามมาต่อไปเนี่ยเนียที่เราศึกษาที่เรียกว่าปัจจัยาการหรืออออีกคำหนึ่งไม่ทราบเขาเรียกอะไรจำไม่ได้แนละ้วเนี่ยนี่คือการทํางานของใจของเราที่มัน ถูกอำนาจของมิจฉาทิฏฐิหลอกให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพกันให้เรามีความสุขหลอกให้เราไปหาลาบยศ ส, สรรสสุขมาเสพกันเพราะรู้วิธีนี้วิธีเดียวรู้วิธีนี้ที่จะให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นวิธีที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิด ม, มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าบอกนี่ไม่ใช่วิธี เราต้องเปลี่ยนวิธีจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็มาหยุดสังขารมาหยุดวิญญาณดึงวิญญาณกลับเข้าข้างในหยุดสังขารแล้ววิญญาณมันก็จะหดตัวเข้ามาพอเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปความคิดที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะหยุดไป วิญญาณมันก็ไม่ต้องไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะรวมตัวกลับเข้ามาในใจเรียกว่าการรวมตัวของจิตรวมตัวของนามขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยอำนาจของสติเพราะสติกำลังกล้ า, ก ว, ากว่าความอยากความอยากก็จะไม่สามารถส่ง วิญญาณออกไปทางตาหูจมูกเล่นกายได้วิญญาณก็จะถูกดูดกลับเข้ามาภายในใจใจก็จะรวมอยู่กับผู้รู้ตัวเดียวนามะนามะขันทั้งสี่ก็หยุดทํางานชั่วคราวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หยุดชั่วคราวแล้วตอนนั้นก็เกิดสุขขังนัตติสันติปรังสุขขังขึ้นมาสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเน จะได้พบกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงออพอใครได้สัมผัสนี้แล้วที่นี้รู้แล้วความจริงว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรานี่เองเออไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพื่อไปซื้อสิ่งนู้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพียงแต่มาฝึกนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไปเท่านั้นเองเออถ้าสามารถจะเอาชนะความอยาก สามารถหยุดความคิดปรุงแต่งได้ใจก็จะหดเข้ามาวิญญาณก็จะหดเข้ามาสังขารก็จะหยุดทํางานสัญญาก็จะหยุดทํางานเวทนาก็จะหยุดทํางานแล้วก็จะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้แล้วก็ความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือสิ่งที่เราจะได้สัมผัสรับรู้จากการมาฟังเทศฟังธรรมกัน พอเราได้ฟังแล้วรู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะแสวงกันควรจะหากันเราก็มาปฏิบัติกันวันพระเราก็มาถือศีลแปดกันมาระ ง, งับการใช้ตาหูจมูกงื่นกายในการหาความสุขแล้วเปลี่ยนมาหาความสุขจากการใช้สติพุทโธใช้การสวดมนต์ใช้การนั่งสมาธิดึงใจให้ให้เข้าสู่ความสงบเพื่อให้เรามีความสุข ถ้าเราทําไปบ่อยๆต่อไปเราจะชํานาญเหมือนอะไรต่างๆที่เราฝึกหัดเนี่ยใหม่ๆมันก็เก้ะๆกังๆหัดขี่จักรยานใหม่ๆก็ล้มเหมือนล้มลุกคุกขันเด็กเริ่มหัดยืนขึ้นมาเดินได้สองก้าวเดี๋ยวก็ล้มลงไปทุกอย่างเวลาฝึกหัดใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นตอนต้นหัดนั่งสมาธินั่งเท่าไหร่ก็ยังไม่สงบทักทีเดี๋ยวนั่งไปได้ปุ๊บหนึ่งเดี๋ยวเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมา แต่ก็พยายามทำไปเถิดนะมันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติใหม่ๆก็ต้องล้มลุกคลื่านแต่พยายามลุกขึ้นมาอยู่เรื่อ ย, อยล้ม ก, ก็ลุกขึ้นมาเพอสติก็กลับก็สร้างสติขึ้นมาใหม่พอพุทโธหายก็พุโทโธขึ้นมาใหม่พอดูลมหายไปไปลืก อ, อยู่กับเรื่องอื่นก็เดิงกลับมาอยู่ที่ลมใหม่พยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดียเเ๋ยวก็ได้เอง เ, เดีเเยเ๋ยวก็ได้ความสงบเอง ถ้าไม่ได้แล้วจะมีพระสาวกขึ้นมาได้อย่างไรจะไม่มีพวกที่เขานั่งสมาธิกันได้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็ได้ถ้ามีความเพียรพยายามมีความอดทนต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จะฝึกสติอยู่เรื่อยๆนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ได้ผล ไม่มีใครเกิดมาเป็นพระอารหันต์กันไม่มีใครเกิดมาเป็น เ, เป็นเข้าฌานได้กันยกเว้นคนบางคนที่มีของเก่าติดตัวม า, าแต่คนไม่มีนี้สามารถสร้างขึ้นได้ เ, เพราะมีคนสอนยุคนี้เราโชคดีมีโค้ดมีเทนเนอะร์เห็นหม สังเกตเวลาเราจะไปทําอะไรนี้ต้องมีโค้ดมีเทรนเนอะร์แม้แต่จะออกกําลังกายยังต้องมีคนมาเทรนเลยว่าต้องออกอย่างไรทำโยคะทําอย่างไรทุกอย่างต้องมีโค้ดถึงจะทําได้ทําได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ผลดีแล้วเราอยากได้นัตถิสันติพลังสุขขังอยากได้ลดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเราก็ต้องเข้าหาโค้ด โค้ชของพวกเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่วันนี้เราก็มาหาโค้ชกันมาฟังวิธีที่จะสร้างรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงวันนี้เรารู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรขั้นต่อไปก็เอาไปปฏิบัติเอาไปทำทำแล้วเดี๋ยวก็ผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่าใจร้อนให้คิดว่ากรุงลมไม่ได้สร้างภายในวันเดียว การนั่งสมาธินี้จิตไม่รวมในครั้งแรกครั้งเดียวนะบางคนนี่เป็นปีๆครูบาอาจารย์ที่เรากล่าบไหวในบางองค์ท่านกว่าจะได้สมาธินี่เป็นหลายปีด้วยกันนะแต่ท่านสู้ไม่ถอยท่านพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ได้ผลของมันเองนะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติไม่เพียรพยายามแล้วไม่มีวันเกิดความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่น จึงขอฝากเรื่องความเป็นมงคลของวันพระนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตรพิจนาและปฏิบัติต่อไปเพื่อความสุขความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวะหาปูราปริปุเรนติสักลังเอวเมวาอิโตทินนางเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังต um ุมหังคิดเปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนาฬโสยธามณีจดีราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโต สัพพโรโควินัสสตูมาเตภวัตวันตรายุสุขิทีคายุโกภวาพิวาธนศีลิสานิจจังวุธาปะจายโนจตารุธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเฟซบุ๊กห้าร้อยยี่สิบแปดสองรอหกสิบห้าวิทยุออนไลน์ห้า o ูวันนี้ไม่ได้ถ่ายทอดค่ะผู้รับฟังหน้ากุฏิยี่สิแปดรวมทั้งสิ้นแปดร้อยี่สิบหกท่านค่ ะ, ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย ก, กับนักมัรการพระอาจารย์คะเจ้าค่ะ อลูกมีคําถามอยากจะถามว่าถ้าการที่ลูกปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิถ้าเกิดขออธิษฐานว่าถ้าเกิดรู้ว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอะค่ะถ้าเกิดมาชาติหน้าขอให้ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็ขอให้ได้อยู่ในบรรพชิตหมายถึงได้แบบไม่ต้องคลองเรือนไม่มีคู่หรือว่าจะต้องเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ขอให้เป็นแบบไม่ต้องมีคู่อีกเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ อธิษฐานขออย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่าไม่จาเป็นต้องขอไม่ต้องขอล้วอยู่ที่เราถ้าเราไม่อยากจะมีคู่เราก็อย่าไปแต่งงานนั่นเองเราก็ต้องฝึกสมาธิให้มากๆมีสติมากมันก็ทำสมาธิได้มีความสุขอยู่คนเดียวได้มันก็ไม่ไปมีคู่เองจ้าขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ถ้าพระต้องราชิกแล้วจะต้อง巴拉ราชิกครั้งที่สองได้หรือไม่ครับถ้ามีคนมาตำหนิหรือด่าว่ากล่าวพระรูปนั้นหรือมาสร้างกรรมกับพระรูปนั้นจะถือเป็นการสร้างกรรมกับพระหรือคนทั่วไปครับถ้าราชิกแล้วก็ไม่เป็นพระแล้วนั้นจะเป็นปราชิกซ้ำสองไม่ได้ขาดจากการเป็นพระทันทีคือขาดจากการเป็นพระภิกษุคือไม่อยู่ในสมาคมสังคมของพระภิกษุ เป็นเหมือนถูกขับออกไล่เป็นเหมือนถ้าเราไปเป็นสมาชิกในฟิตเนสคลับนี่แล้วเราไปทำผิดกฎระเบียบเขาก็ไม่ให้เราเป็นสมาชิกเท่านั้นเองนี่ฉะนั้นการทำบาปไม่ว่าทำกับใครมันบาปทั้งนั้นแหละทำกับหมากรก็ยังบาปเลยฉะนั้นอย่าไปทำบาปกับใครทั้งนั้นคำถามต่อไปจากคุณสุทีนค่ะ ตอนนี้ทุกใจมากครับสละชีวิตเพื่อพ้นทุกได้ไหมครับลูกจะจบชีวิตเพื่อพ้นจากทุกจะเป็นการดีไหมครับอ๋อถ้าไปฆ่าตัวตายนี่ก็มันไม่พ้นทุกหรอกเพราะมันไปสร้างทุกข์ให้มีมากขึ้นการฆ่าตัวตายเป็นบาปมันไม่ได้ทําให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมันจะพาให้ไปเกิดในอบายในนรกต่อไปจะไปเจอกับความทุกข์มากกว่าตอนที่เป็นมนุษย์ซี อางทุกข์ของควา ม, มเป็นมนุษย์นี้อย่างน้อยกว่าทุกที่จะเกิดจากการฆ่าตัวตายอย่างห้ามฆ่าตัวตายโดยเด็ดขาดเพราะไม่ใช่เป็นวิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ไปบวชสิถ้าทุกข์มากๆก็ไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วเดี๋ยวทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็หายไปหมดอย่างแน่นอน คำถามต่อไปจากคุณเพชรนั่งหนึ่งค่ะขอโอกาสครับแต่ก่อนเคยมีราคะที่กล้าและโทสะกล้ามากแต่พอภ า, าวนาสมาธิไปรู้สึกว่าตัวเองเหมือนหมดสิ่งที่รบกวนจิตและรู้สึกเฉยๆทั้งที่ไม่ได้นั่งสมาธิแล้วมาเป็นเวลานานก็เลยคิดว่าอารมณ์เหล่านี้หมดไปหมดไปไ ห, หมดไปไหนหมดไปไหนหมดเคยทดลองตัวเองแล้วหลายครั้งแต่มันก็เป็นใจเฉยๆไม่ตื่นเต้นอะไรควรจะดําเนินต่อไปอย่างไรครับ ก็รักษาความไม่ตื่นเต้นไปเรื่อยๆหรือถ้าเรายังไม่น่าใจก็ลองไปทดลองหาข้อสอบที่มันหนักกว่านี้อลองไปอยู่ที่เสียงเป็นเสียงตายดูดูว่ายังจะเฉยๆหรือเปล่าลองไปอยู่ป่าช้าสักคืนหนึ่งดูอหรือลองไปอยู่ในป่าลึกคนเดียวดูอหรือลองไปอ ไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเป็นโรคมะเรงดูแล้วดูว่าใจยังเฉยหรือเปล่าพอข้อสอบของเราที่เราทดสอบอาจจะเป็นข้อสอบเบาๆมันก็เลยยังเฉยได้ลองเสียแฟนไปใครมาแย่งแฟนเราไปดูซิว่าจะเสียได้หรือเปล่าหรือเสียตําแหน่งไปถูกเขาลดตําแหน่งหรือถูกเขาโยกย้าย ของต้องลองกับของที่เราลักเราหวงดูเรายังมีลักหลังหวงอะไรอยู่หรือเปล่าเราเสียมันไปได้หรือเปล่าเสียแล้วเฉยได้หรือเปล่าเหมือนนิทานที่เคยเล่าให้ฟังวามีหลวงตาองค์หนึ่งทศละครอบครัวไปบวชทุกวันภรรยาเก่าก็ส่งลูกเอาให้ลูกเอาอาหารไปถวายแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทางบ้านว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทางบ้านอยู่ดีกินดีไหมมีเหตุการณ์อะไรไหมก็ไปเล่าให้ฟังลูกก็มาเล่าว่าวันหนึ่งแม่เขาบอกไว่ า, อ, าอยากจะาขายบ้านแล้วอยู่บ้านนี้ไม่มีเงินเงินไม่พอขายไปแล้วจะได้ไปเช่าบ้านาขายบ้านก็ขายไปมีสมบัติที่ได้มาในช่วงที่แต่งงานก็ขายไป หลวงตาฟังก็เออดีไม่เป็นไรเนี่ยาขายอะไรขายไปแต่พออีกวันหนึ่งมาบอกว่าแม่เขาจะไปมีแฟนใหม่แล้วเฮ้ยไม่ได้หลวงตาห้ามเด็ดขาดนี่แสดงว่าไม่เฉยแล้วดฉะนั้นเราจะทดสอบตัวเราว่าเราเฉยได้หรือไม่เราต้องทดสอบกับของที่เราลักเราหวง ของที่เราไม่ลกักไม่หวงมันไม่ค่อยสะเทือนใจเราใช่ไหมของเก่าเราโยนทิ้งนี่เราไม่เสียดายแต่ถ้าซื้อของใหม่มาเพิ่งเปิดมาโทรศัพท์รุ่นใหม่เอี่ยมนี่แล้วก็ยกให้คนอื่นไปดูคนอื่นเข้ามาขอมึงอยากได้หรือเอ า, เอาไปเลยดูซิว่ามันทําได้หรือเปล่านี่ถึงจะเรียกว่าเฉยได้ยัง น, น้องทดสอบหาหาข้อสอบที่มันหนักๆแล้วดูว่าทําได้หรือเปล่า คำถามต่อไปจากคุณระวีวรรณค่ะวางจิตอย่างไรเวลาดูคุณแม่ไม่ให้เกิดอกุศลและจิตค่ะก็ดูว่าเป็นตุ๊กตาไปร่างกายของคนเราก็เป็นตุ๊กตาดีๆเองทำมาจากดินน้ำลมไฟคำถามต่อไปจากคุณรวมพรค่ะตัวที่ฉันปฏิบัติจนได้จิตอยู่ภายในกายแล้วเป็นดวงขาวขอกราบเรียนถามว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ ก็ทำบ่อยๆทำมากๆให้เข้าไปข้างในบ่อยๆให้นั่งสมาธินานๆไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นลาออกจากงานไปเลยไปฝึกไปปฏิบัติให้มันเต็มร้อยแล้วขั้นต่อไปก็ไปเจริญปัญญาต่อไปพิจารณาตายรักว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดได้เดี๋ยวมันก็ต้องมีดับไป เดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายกันไปทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ปล่อยวางให้ได้แล้วจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆเมอแต่ชีวิตหรือร่างกายของตนก็ไม่เดือดร้อนถึงมันตายก็ตายอย่างสบาย คำถามต่อไปจากทาง u t u b e คุณกระมวลทิพย์ค่ะพระอาจารย์ครับรู้สึกวิตกกังวลเบื่อเบื่ อ, อแก้อย่างไรดีครับก็พยายามทำใจให้สงบนะความกังวลความเบื่อมันเกิดจากความคิดฟุ้งซ่านความปรุงแต่งของเราคิดถึงเรื่องนั้นก็กังวลคิดถึงเรื่องนี้ก็เบื่อหน่ายถ้าหยุดคิดแล้วความกังวลความเบื่อหน่ายก็จะหายไปยนันพยายามฝึกสติพุทโธพุทโธเพื่อหยุดคิด แล้วถ้านั่งสมาธิได้ก็นั่งนั่งสมาธิก็ใช้พุโทโธต่อก็ได้หรือดูลมหายใจก็ได้ให้ใจนิ่งให้ใจสงบแล้วความรู้สึกเบื่อเบื่อนายต่างๆก็จะหายไปใจก็จะเบาจะมีความสุขมีความสบายคำถามต่อไปจากคุณทีคัทนาค่ะ น้อมกราบถามว่าการรู้ตัวแบบมาอยู่กับพุทโธทั้งวันทั้งก่อนนอนทำแบบนี้รู้แบบอัตโนมัติบ่อยๆแบบนี้ทำไปทุกวันทุกวันแล้วรู้สึกสบายใจไม่ทุกข์กับอะไรนานๆรู้ทุกข์รู้สึกรู้ยินดีรู้ไม่ดีทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้คือสติที่ถูกต้องไหมเจ้าคะ ถูกต้องถ้าทำให้ใจว่างใจเบาใจเย็นใจไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆเฉยวางเฉยได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะนั่งสมาธิเพราะมันจะทำให้ใจเข้าไปข้างในลึกขึ้นสงบมากขึ้นมีความกำลังที่จะวางเฉยได้มากขึ้นกว่าการจเจริญสติคำถามต่อไปจากคุณนุชค่ะ การนั่งสมาธิจนเห็นร่างกายตนเองเป็นอากาศาธาตุนั้นคือขั้นไหนของการนั่งสมาธิเจ้าคะขั้นหนงนั่งสมาธิไม่ได้ดูร่างกายให้เป็นอากาศาธาตุนั่งสมาธิเพื่อให้ใจว่างใจสงบปราศ จ, จากความคิดปรงแต่งคําถามต่อไปจะคุณประสิทธิ์คะ่ะกระผมพอรู้ครับว่าการท่องพุโทโธพุโทโธการนั่งสมาธิดีแต่ใจมันไม่ทําครับกระผมต้องเริ่มทําอย่างไรดีครับ ก็ต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆว่ากาลังพุโทโธอยู่หรือเปล่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ให้ิถามตัวเองอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับความคิดปรุงแต่งพุ่งสร้างต่างๆช่วงนี้คําถามหมดค่ะคําถามหมดนะอต้องมีการสังเกตตัวเราอยู่เรื่อยๆว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่ ถ้าเราไม่คอยถามตัวเองเราก็จะเผลอคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ทั้งๆที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดก็อดคิดไม่ได้เพราะมันเป็นนิสัยชอบคิดกันเราก็ต้องคอยถามตัวเองว่าพุโทโธหรือเปล่าตอนนี้กําลังพุโทโธอยู่หรือเปล่าคอยถามตัวเองอยู่บ่อยๆพอถามตัวเองโอ้ย oh, ตอนนี้ไม่ได้พุโทโธเนี่ยว่วาก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็เผลอไปคิดอีกก็ถามอีกว่า พุโทโธยังอยู่หรือเปล่าพยายามทำอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นนิสัยที่จะคอยอคอยดูว่าใจอยู่กับพุโทโธหรือเปล่าแล้วต่อไปมันก็จะอยู่กับพุโทโธไปได้เรื่อยๆแล้วมันก็จะมีความว่างความเบาความเย็นและเวลานั่งสมาธิก็จะสงบง่ายแล้วจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิ คำถามต่อไปจากคุณทิติรัตน์ค่ะกลับน้มัส ก, การเจ้าค่ะถ้าเราไปวัดแล้วหากท่านได้อุปโลกและให้ทานข้าวกับบาทก้นบาทได้แต่เราจําเป็นต้องกลับบ้านก่อนหากนํากลับมาทานที่บ้านแทนจะบาปไหมคะถ้าของเขาให้เราแล้วไม่บาปหรอกถ้าเขายังไม่ให้ไปหยิบเองนี่ถึงจะเรียกว่าขโมยคำถามต่อไปจากคุณกิฟค่ะ การถวายสังฆทานต้องเอ่ยชื่อผู้รับตอนถวายหรือเปล่าหรือเปล่าคะก็บอกแล้วไงสังฆทานก็เวลากล่าวคำถวายก็มีสังัสาอยู่แล้วโอโนชยาม ะ, ะก็ถวายพระสงฆ์ผู้อะไรนะพระสงฆ์ผู้ประเสริฐอะไรนี่ก็กล่าวคำถวายบอกชื่อไปแล้วชื่อของสงฆ์เนี่ย คือเป็นไม่ได้ไม่ได้ไไดถวายพระรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้ถวายอาจารย์กร อ, อาจารย์ขอถวายเป็นของส่วนกลางให้ให้ทุกคนที่อยู่ในสง์นั้นมีสิทธิที่จะเอาไปใช้การได้เรียว่าสังฆทานคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะไม่ว่าอาการของจิตใดๆเกิดขึ้นแล้วกลับมาที่พุทโธหรือว่า ไม่ให้อาการใดเกิดขึ้นจออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวคะ่ะคือมันจะเกิดไม่เกิดเราไปห้ามมันไม่ได้แล้วมันเป็นอนัตตาแต่เราทําได้ก็คือให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วใจของเราจะไม่ไม่หวั่นไหวใจของเราจะสงบใจของเราจะวางเฉยได้ คำถามต่อไปจากคุณแคทค่ะหนูได้ลองเนสัชชิกทุกวันพระช่วงเข้าพรรษาแต่มีคนห่วงว่าจะมาผิดทางเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผิดทางหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ผิดหรอกว่าเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้ า, านะทุดงสิบสองสิบสามข้อนยทุดงขวัสิบสามก็มีหนึ่งข้อเรียกว่าเนสัชชิกคือการถือสามวิดยาบทคือวันนี้จะไม่ไม่เอ็นหลังจะยืนจะเดินจะนั่ง ถ้าจะหลับก็ให้หลับอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งสามท่านี้เพราะต้องการที่จะไม่หลับมากหลับเดี๋ยวเดียวถ้าอยู่ในท่ายืนก็หลับเดี๋ยวก็ล้มล้มก็จะตื่นขึ้นมาถ้านั่งก็คอพับเดียเด๋ยวเดี๋ยวคอเมื่อยมันก็ตื่นขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีของผู้ที่ต้องการทําความเพียรมากก็เลยถือเนสัตชิกัน ก็ต้องดูว่ามันมีผลกระทบเสียหายกับร่างกายของเราหรือเปล่าถ้ามีก็แสดงว่ามากเกินไปถ้าไม่มีผลกระทบถ้าทําแค่อาทิตย์ละครั้งนี้มันไ ม, ไม่น่าจะมีผลกระทบะเออถ้าทำเจ็ดวันเจ็ดคืนนี้หรือทําเดือนอย่างนี้มันอาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายได้ก็ต้องรู้จักประมาณคํำถามต่อไปจากคุณส ร, สรจิตค่ะ ถ้าจิตไม่ยึดมั่นในกุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่รับรู้กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเกิดขึ้นและผ่านไปผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคะออเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่เป็นพระอรหันต์เป็นผูุ้ชนนี่มันจะยึดติดกับกุศลอกุศลเพราะว่าจิตมันมีกิเลสนะมันไม่มันไม่ปล่อยวางวางเฉยโดยตัวของมันเองนั้น คอสังเกตดูถ้าเป็นกุศลก็ยึดติดไว้ก่อนไม่เสียหายเท่านีถ้าเป็นอกุศลก็ละเสียให้ละกุศลละอกุศลแล้วก็สร้างกุศลให้ถึงพร้อ ม, อมคําถามต่อไปจากคุณธั ญ, ญาพัฒนค่ะหนูเห็นแม่เป็นทุกข์เรื่องหนี้สินแต่เราเป็นลูกไม่สามารถช่วยได้เต็มที่เรามีวิธีที่จะทําอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ค่ะ ก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้นะถ้ามันสุดวิสัยก็ช่วยไม่ได้เหมือนถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นเห็นคนจมน้ำเราจะลงไปช่วยเขาได้หรือเปล่าก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเขาสิ่งที่เราทำได้ก็วิ่งไปหาคนที่ว่ายเป็นหรือว่าไปหาไม้หาอะไรเพื่อให้เขายึดไม้แล้วก็เกาะไม้ขึ้นมา แต่ถ้าเราลงไปช่วยเองเราก็จมน้ำไปกับเขาเอนก็ต้องรู้ความสามารถของเราว่าเราทำได้เท่าไหร่เราก็ทำเท่าที่เราทำได้ถ้าทำไม่ได้เราก็จะไปเศร้าโศกเสียใจไปทุกข์ใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหมดแล้วค่ะหมดแล้วน ะ, ะมีใครอยากจะถามไหมทีม่นั่งฟังตรงนี้ถ า, ามได้นะไม่คิดตัง เพิ่งมาเลยที่มานี่ทราบว่ามีการแสดงธรรมวันนี้เลยไม่ทราบผ่านมาพอดอีที่นี่ก็จะมีแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระแล้วก็วันหยุดราชการเช่นอาทิตย์สั ป, ปดาหน้าสุดสั ป, ปดาหน้าจะมีเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชยแล้ววันอังคารก็เป็นวันหยุดราชการ ก็หยุดก็จะมีการแสดงธรรมทั้งสี่วันแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็ไม่มีการแสดงธรรมแล้วก็จะไม่มีการรับแขกเห็นถ้ามาวันอื่นก็จะไม่มีใครก็พอเห็นว่าไม่มีใครก็อย่ามาอย่าไปเคาะประตูเรียกว่าเคาะก็ไม่เปิดรับนะก็ปิดป้ายไว้เห็นนะขอให้รู้ว่ารับแขกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยนีวันอื่นก็ขอเวลาพักบ้างหรือขอเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างไม่งั้นก็ต้องรับแขกรับคนทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งบ่ายค่ะคําถามต่อไปจากคุณดาดาค่ะถ้าเรารู้ว่าเราต้องพราดพลาดจากสิ่งที่รักแต่แต่เราจะทําใจอย่างไรให้ยอมรับว่าต้องพลาดพลาดจากด้วยวิธีใดเจ้าค่ะ ก็ทำใจเฉยๆนี่เมื่อเราทำอะไรไม่ได้เมื่อเหตุการณ์เหมือนกับเราทำใจกับฝนเนี่ยก็ทำใจแบบนั้นเวลาเราฝนตกเราก็ทำใจเฉยๆได้เมอมันตกก็ปล่อยมันตกไปเสร็จเราจะทำไงได้ห้ามมันไม่ได้คนจะตายาก็เหมือนกันไม่ห้ามเขาตายได้ที่ไหนเขาว่าต้องตายคนที่จะจากเราไปหรือคนที่จะทิ้งเราก็เหมือนกันอยู่กับเราเขาเบื่อเขาจะทิ้งไปหาแฟนใหม่แล้วก็ห้ามเขาไม่ได้ ก็ปล่อยเข้าไปก็ทำใจเราต้องคิดไว้ก่อนนั่นคิดแล้วก็เปรียบเทียบทำไมเราปล่อยเราปล่อยวางฝนได้ว่ะแดดออกเราก็เฉยได้ฝนตกเราก็เฉยได้แฟนทิ้งเราทำไมเราเฉยไม่ได้เพราะเราไม่ยอมเฉยเองไม่ยอมปล่อยยังอยากให้เขาอยู่กับเราอยู่นั้นต้องยอมรับ ว, ว่าเมื่อเขาไปแล้วก็อย่าไปอยากให้เขากลับมาเขาไม่กลับมาก็จะทุกข์ไปไปเป่า เฉยๆว่าเดี๋ยวถ้าเขาเบื่อเขาอาจจะเปลี่ยนใจเขาอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้ะเราจะกลับก็เรื่องของเขาเขาไม่กลับก็เรื่องของเขาเหมือนฝนฝนมันจะตกหรือไม่ตกมันก็เรื่องของฝนก็เท่านี้เอง <Yeah. S 1> ถ้าทําใจไม่ได้ก็ต้องไปหัดทําสมาธิ <Yeah. S 1> วิธีทําสมาธิจะให้ทําใจเฉยๆได้ yeah. กับเรื่องฝนนี่เราทำได้เพราะมันไม่มันไม่เป็นของที่เรารักเราหวงมากแต่ถ้าเป็นของที่เรารักเราหวงมากมันจะทําใจไม่ได้วิธีจะทำใจได้ก็ต้องไปฝึกสมาธิถ้าใจสงบใจมีอุเบกขาแล้วมันก็จะทำใจเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรของที่รักขนาดไหนแม้แต่ร่างกายนี่ก็ปล่อยได้เฉยได้ เนการทำสมาธินี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราต้องการที่จะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆถ้าเราต้องการให้ปล่อยวางกับเรื่องราวต่างๆนี้เราต้องมีสมาธิมีอุเบกขาคำถามต่อไปจะคุณชีวิตปวยบินค่ะขอโอกาสครับจิตรวมใหญ่เป็นอย่างไรครับก็ไม่ใช่รวมเล็กมันก็รวมใหญ่เลย <laughs> ก็รวมเล็กอาจจะหมายถึงว่ายังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่นั่งสมาธิจิตรวมใจเป็นอุเบกขาเฉยๆแต่ยังได้ยินเสียงยังสัมผัสกับความรู้สึกทางร่างกายอยู่ร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเฉยๆเรียกว่ารวมเล็กถ้ารวมใหญ่ก็หายไปหมดเลย รูปเสียงเกล็ดลดร่างกายหายไปจากการรับรู้ของจิตเหลือแต่จิตคือผู้รู้อยู่ตามลําพังเพียงอย่างเดียวกับความว่างกับความสงบอันนี้ก็เรียกว่ารวมใหญ่คําถามต่อไปจากคุณกิ่งพัดค่ะอยากทราบว่าเวลาปฏิบัติทําไมถึงปวดหัวมากๆหรือถ้าไม่ปวดหัวก็จะเจ็บตรงหน้าอกครับถ้าเกิดขึ้นเฉพาะเวลาปฏิบัติก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสก็เรียกกิเลสสมาน มาชอบมาขวางเวลาจะทําความดีซะหน่อยชเวลาจะให้ความสุขกับตนเองซะหน่อยกิเลสมันไม่ชอบความสุขแบบนี้กิเลสมันชอบความสุขแบบทางตาหูจมูกลิ้นกายกิเลสมันชอบความสุขแบบเฮฮาปาร์ตี้กิเลสมันไม่ชอบความสุขที่เกิดจากความสงบมันก็เลยสร้างอาการมา ขัดขวางไม่ให้เราทำใจให้สงบถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปกังวลกับมันเราก็ทำสมาธิของเราไปดูลมไปพุโทโธไปเดี๋ยวพอใจเราเข้าสู่ความสงบเริ่มเข้าสู่ความสงบอาการต่างๆมันก็จะค่อยจางหายไปเองมันเป็นมายาใหรคิดว่ามันเป็นมายามันไม่ใช่เป็นของจริงของแท้ คำถามต่อไปจะคุณสอนค่ะเมื่อเราเดินอยู่การรับรู้ของจิตว่าเดินอยู่กับคิดว่าเดินอยู่ต่างกันอย่างไรครับก็ไม่ต่างก็ให้รู้เฉยๆก็แล้วกันไปคิดมันก็ไม่ต้องคิดก็ได้มันต้องไปคิดทำไมคิดก็เหมือนถึงท่องไปมั้งเหมือนคนบอกกำลังเดินเนาะกำลังก้าวเนาะกำลังวางเนาะออย่างนี้ก็ ก, กำลังคิดนแต่ถ้าไม่ถ้าไม่คิดก็รู้เฉยๆว่า กำลังเดินกำลังวางเท้ากำลังอะไรก็ต่างกันตรงที่ใช้ความคิด ก, กับการไม่ใช้ความคิดคิดก็เหมือนภาคดูหนังแล้วถ้าถ้าไม่มีเสียงภาคมันก็ใช่ไหมมันก็มีแต่ภาพเฉยๆพอมีเสียงภาคมันก็เป็นเหมือนความคิดคําคำถามจากคุณธัญพัฒนค่ะทำไมทุกครั้งที่หนูสวดมนต์ขนถึงลุกตลอดเวลาคะ เขาเรียกว่าปิติมั้งปิติก็จะทำให้ขนลุกซาขึ้นไป่ะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลาที่มีคนมายืมเงินเราแต่เราไม่ให้เขาแต่เหมือนเห็นคนอื่นเดือดร้อนแล้วเราไม่ช่วยแบบนี้เราจะบาปไหมคะควรจะวางใจอย่างไรไม่ให้รู้สึกผิดค่ะก็ให้คิดว่าเขาไม่ปรารถนาดีกับเราคนที่มายืมเงินเรารือว่าเขาไม่เป็นเพื่อนเราถือว่าเขาเป็นศัตรูของเรา คำถามต่อไปจากคุณกิติค่ะสติกับจิตเหมือนพี่น้องกันใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดสมาธิและบรรลุธรรมขั้นต่อไปสติเป็นตัวควบคุมจิตเป็นเครื่องมือที่จะใช้กันในการควบคุมจิตนคำถามต่อไปจากคุณฤธิ์ค่ะต้องมีสมาธิถึงจุดไหนครับถึงจะเข้าวิปัสสนาได้ครับ คือเวปัสน า, านี้เข้าได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันเข้าแล้วมันเข้าได้ทำได้นานเท่าไหร่แล้วทํททหยุดความอยากความความทุกข์ได้หรือไม่ถ้าไม่มีสมาธิมันก็หยุดไม่ได้ถ้ารู้ว่าตอนนี้ความทุกข์เกิดจากความอยากได้ตาแหน่งมันมันก็ยังอยากอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าเข้าสมาธิจนจิตมีอุบเบกขาวางเฉยได้ พอเกิดความทุกข์จากความอยากได้ตําแหน่งพอรู้ว่าไม่ได้ก็ทําใจเฉยๆความทุกข์ก็จะหายไปได้คําถามต่อไปจากคุณพงประพัฒนครับพระอาจารย์ครับทําอย่างไรไม่ให้ฝันครับฝันนี่ห้ามมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุญของบาปที่เราทําไว้เป็นวิบากกรรมของเราเ ว, เวลาทําไม่ให้ฝันก็อย่านอนสิทำได้เท่านั้นแหละ ถ้ามีสติมันก็ฝันไม่ได้พอเวลาหลับมันก็ขาดสติสติไม่มีมันก็บุญกับบาปที่ทำไว้มันก็จะผลักดันให้เกิดความฝันต่างๆขึ้นมาฉนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้ไม่ฝันก็คืออย่าอย่าหลับตื่นตลอดเวลาหมดแล้วนะโอเคอะจะมีวิธีอครับคือ ง่ายๆนะเขาผมเป็นคนบ้าเลยครับง่ายๆที่ทำคุณในทุกๆวันไม่มีวันไหนที่จะไม่จะไม่ขับเลยก็ดีเนี่ยบ้าบุญไม่เป็นไรหรอกมีมีแสนหนึ่งทําไปเก้าหมื่นก็เออหมื่นหนึ่งเอาไว้กินน้อยๆครับแต่ว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าจะมาใหม่อะไรครับแต่พระเวสสันดรอย่างบ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรบ้าอย่างนี้บ้าบางคนบางทีคนในครอบครัวเตือนเราก็บอกว่าก็ต่างไว้แต่ว่าห้ามจิตห้ามใจให้ได้ครับผิด ถ้าถ้าไม่ใช่เป็นเงินของเขาก็ไม่ถ้าเป็นเงินของเราก็เราไม่ไปทำให้ใครเขาเสียหายเดือดร้อนเราก็ทําของเราไปคนอื่นเขาเอาเงินไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าทำไมไม่ไปว่าเขามาั้งพอเราไปทําบุญก็ไปว่าเราทำไมบุญก็เป็นสินค้าอย่างหนึง่งก็คิดอย่างนั้นนะถ้าเป็นเงินของเราแล้วเราไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนก็าทาไปนะ แบบพระเวชสันดอนใหให้ทั้งลูกใใครก็ขอลูกก็ยังยกลูกให้ไปเลยมันจะมีคนมาขอเมียเทวดาก็ต้องมาห้ามไว้ก่อนนะเพอะให้แล้วมันมีความสุขใช่ไหม น, นั่นและออย่า<ช><ช>นอย<ห>่างไม่ไม่มีคนเดินเดินไปนะคื อ, อคือไปตะไปตลาดะคือเช่นแบบคนมาข อ, อขา ใ, ใหมแล้วก็ใจให้มันก็ให้ทุกอย่างเลยได้ทำไปเถิดไม่เสียหายตรงไหน อ่านะเป็นการสร้างฐานบารมีต่อไปก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้านะต่อไปอาจจะไปเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเหมือนพระพุทธเจ้าก็ได้ตอนนี้เป็นพระเวสสันดรไปก่อน